นโมพพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม ต, ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม ต, ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏพวัติตังธรรมจักกังปฏิวัติยังสมณ เ, น า, เว น, วานาวาเทเวนาวาภุมนาวาโลปัสมินจิตีติธรรมโอสะกจังโซตโพตีนบัตินี้อาตมาภาพจะได้วิสัชฉนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องตระดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ แลวิทยาความาเพียรของท่านทาั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญง อ, อกงามกล่าวหน้าในทางแห่ง菩萨สนนะของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทาั้งหลายว่าดียุติลงด้วยความสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาในวันนี้ก็เป็นที่ทราบเปนดีอยู่แล้วว่าปรารออาสาละหบูชา <c oughs> พากันมาสู่สถานที่นี้เพื่อแสวงหาบรรยากาศเป็นพิเศษคือมันเป็นบรรยากาศที่ในป่าก็ ค, คล้ายๆกับการแสดง ปฐมเทศนาของพระภูมิพระปกเจ้าเนื่อเป็นการศียสนะบางอย่างบางประการคือความลำบากนั่นเองเพื่อเป็นพุทธบูชาบางท่านเขาสามาจากที่ไกลความลำบากมีเท่าไรก็อุทิศเป็นส่วนปฏิบัติพุทธะด้วยกันทั่านั้นบัดนี้เป็นโอกาสแห่งการแสดงธรรมเทศนาตามประเพณีนิยมเราจึงพากันไปอนุทวัดตามนั้นเพืจัดให้มีธรรมเทศนา อาตมาก็จะได้แสดงธรรมเทศนานื่นด้วยอาสาละหบูชาเท่าที่จะทําได้มีหัวข้อแสดงเรื่องอริยสัจสี่กับอารมาัจจตาสองเรื่องเพื่อเทียบเคียงกัน <S 2> <S 2> <S <S ขอท่านทัางหลายต่างใจฟังให้ดีให้สาเร็จประโยชน์ <S <S <C oughs> เรื่องแรกอริยสัจสี่ก็เป็นเรื่องที่ท้งแสดงในพระเทศธรรมเทศนา ธรรมจักกับประวัติศาสูตรซึ่งสงแสดงในวันเพ็ญอาสาละหะปุนณมีคล้ายกับวันนี้เรื่องนี้แห่เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องมักในเรื่องทูตส ม, มุทรไทยนิโรธมักเพียงสี่คำนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว <c oughs> ส่วนเรื่องธรรมบตานั้นสังเกตเห็นว่ามีคนหน้าใหม่เป็นอันมากอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังคำนี้เลยก็ได้ จึงต้องขออธิบายเพื่อให้เข้าใจแล้วก็จะฟังทูกว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอริยศาสตร์นั่นอย่างไร เ, เรื่องอริยศาสตร์โดยหัวใจก็คือเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงหมายความว่าทรงสแสดงแต่เรื่องอริยสัจพนั่นแหละดันพระบาลีว่าปุเพจ่างพิฆเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปรมิทุกขัสสะจานิโรธังที่สุทั้งหลายก่อนแต่นี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติแสดงเรื่องความทุกข์กับดับกับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้น นี่เป็นหวัวใจของพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงแสดงแต่เรื่องนี้เท่านั้นเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นถ้าจะย่อให้น้อยลงไปอีกก็เรื่องความดับทุกข์เท่านั้นแหละท่นหวัวใจมันอยู่ตรงที่ว่าเป็นเรื่องดับทุกข์ส่วนเรื่องอรรถมรรยตามาตานนันแหละเป็นตัวการดับทุกข์หรือออกมาจากทุกข์หรือป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นท่านทาั้งหลายจึงเลือกเอา ห, หรือว่าป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องดับอย่างนี้อย่างไหนจะสบายกว่าเรื่องอรรถตาเป็นเรื่อง หลักดันออกมาเสียจากความทุกข์ไม่ต้องไปรบรากันกับความทุกข์ในลักษณะที่เรียกว่าเอาไม้สั้นไปรันขี้เป็นคำพูดที่ไม่ควรจะออกมาพูดเป็นธรรมะแต่ก็จําเป็นจําใจที่จะจำพูดที่เื่อเราจะไปต่อสู้กับความทุกข์สิ่งหน้านี่มันก็เมื่อเอาไม้สั้นไปรันขี้มันเลิะเทอไปหมดถ้าอยากให้ทุกข์มันเกิดหรือว่าครับความทุกข์มันกลออกไปห่างออกไปไม่าไม่มาเกี่ยวข้องกันมันก็สบายกว่าชี่จะจำไว้ดีเป็นคําสําคัญที่สุดเป็นเพชรเม็ดสุดท้ายเป็น ที่มันตกค้างอยู่ในพระไตรปิฎกที่ไม่ได้เอามาพูดกันหลายปีมาแล้วเราก็พูดถึงเรื่องเพชรแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดตามลำดับเรื่องอีทัปัจจะาตาบ้างเรื่องสุญญาตาบ้างเรื่องอนัตตาบ้างตถาตาบ้างแต่ละเรื่องเรื่องเป็นเพชรเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งทั้งนั้นแต่เพชรเม็ดสุดท้ายก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมจยตาแล้วเหตุผลอย่างไรก็อย่าไปสนใจว่าทําไมยิ่งไม่มีใครเอาออกมาจนกระทั่งวันนี้เราเอามาพูดกันธรรมาเป็นทุนนำมาพูดกัน ที่จริง้พื่อนีนค้คราววังแล้วเมื่อปีสองห้าคือพูดเรื่องอตมมโยจะเห็นว่ายังยังห่างไกล น, นะมันก็เลยพูดขั้นเดียว <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะพูดเรื่องนี้กันท่านเจตจะตจแจ้งว่าเรื่องอตาตมมยตาทังดูมันก็แปลกหูบางคนอยาคิดว่าไม่ใช่เรื่องในพุทธศาสนาเอาแมวย้อมขายแล้วมั่งก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องพุทธศาสน า, ษาเป็นเรื่องข้อใจของพุทธศาสนาเป็นเรื่องจะทําบุคคลทีห่หลุดออกจากโลกจากโรกียะจากภพจากชาติอันนี้ไปสู่ความไม่มีภพไม่มีชาติคือมันโลกุตร ทนอยู่แบบสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่ได้ถ้าจะมีการถามขึ้นมาว่าอะไรซึ่งเป็นเครื่องบังคับผลักไสให้พระสิทธิพัฒน์ทนอยู่ในรากสมบัติไม่ได้ต้องออกไปบวชอะไรปลักไสจนอยู่ไม่ได้จึงต้องออกไปบวชความรู้สึกอะไรที่ผลักไสพระสิทธิพัฒน์อยู่ในวังไม่ได้จึต้องออกไปบวชเป็นที่แน่นอนความรู้สึกนั้นแหละคือความรู้สึกที่เรียกว่าธรรมกยตาถ้าเป็นความรู้ไปในจิตหรือแต่เป็นความรู้สึกของจิตก็เรียกว่าสภาวะของจิต ราสิทธิ์ท่าทนอยู่ไม่ได้ในบ้านในเมืองต้องออกไปบวชนั่นเพราะเหตุอะไรก็ตเพราะเหตุว่าท่านเห็นว่ามันเป็นเลือดรงังเป็นรงังเป็นรังเป็นบ่อนเป็นรงังเป็นแกล้งเป็นซ่อมแห่งความทุกข์ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอยู่กับมันไม่ได้แล้วให้มันปรุงแต่งเราอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วจึงได้ตัดสินพระไทยออกไปบวชที่พูดว่าเห็นเป็นเกิดเป็นแปรเป็นเี๊ยบเป็นตายแล้วออกไปบวชนั้นพูดสนักเด็กๆพูดสนับเด็กๆดเดื่องนี้มันเตโตกันมากแล้ว อย่าเพียงยพูดแต่เพียงเรื่องคเด็กๆเลยเห็นคนแก่นเกืดอนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ไปบวชมันก็ได้เนกมันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ทให้หนว่ามันไม่ไหไม่ไหทนอยู่ไม่ได้ในเรื่องของความที่สงแก่ทงเจ็บกําตายแต่ความรู้สึกอันแท้จริงนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าอยู่กับมันไม่ได้ใจมันตรงแต่อย่างนี้ไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นตื่นออกบวชอย่างที่ว่ามันมีความหมายมากกว่าสลัดสิ่งที่เป็นที่รับที่พอใจอะไรมีเหตุที่รบสุดในต่างๆนั้นก็ต้องออกไปบวชขอแทนอีกนิดหนึ่ง พะระพุทธเจ้าจะรู้แรืใหม่ๆยศกุลุบุตรูปเศรษฐีในเมือง น, นั่นน่ะเมืองพระณาีสาีไทรนั่นน่ะ <c oughs> ด้เหตุอะไรไม่รู้มันเดินดุมดุมออกจากเรือนกลางดึกเข้าไปในป่าบนว่าบุ่นวายเนาะครับแคบเนาะวุ่นวายเนาะครับแคบเ น, นาะจนไปพบกพระพทรทุทธเจ้าไปตัดธรรมะให้กุลระบุตรูนีมันรุ่งทำคือกลายเป็นพระธานีไปในที่สุดอะไร ท, ทั้งให้ยศกุลระบุตรนกบาบอตามหรือก็ไปสู่ป่าเดินบนว่าวุ่นวยเนาะครับแคบเนาะและความรู้สึกยนเดียมกันก็พี่ พลักสายพระสิทธัศจออกไปบวชเพราะฉน ว, ว่ามันมีความหมายแห่ลวงพ่อมองเห็นชัดลงไปว่านี่มันเป็นความทุกข์เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ลุ่นแต่ปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์จึงเกิดทางรู้สึกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ยอมให้มันปรุงแต่งเราอีกต่อไปจะพูด ง, ง่ายง่ายพระานี่เราไม่เอากรรมันแว้ยไม่เอากับมันแลว้วเว้ยจะพูดให้มันดังชัดเต็มความรู้สึกว่ากูไม่เอากรมึงแล้วเว้ยความรู้สึกกูไม่เอากรร <ๆ S 2> มึงแล้วเว้ยกูไม่อยู่กับมึงแล้วเว้ยหรือจะพูดสุภาพจังเลยพอทันทีพอทันทีเลิกทันที ควารู้สึกที่ทําให้เป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าอาตามมาตาที่มันเกี่ยวข้องกันทั้งหลายบ้างก็ได้ว่าการที่ทำให้ออกมาห า, าศาสนามหาธรรมะมาศึกษาก็ทํางนี่ก็เพราะว่าเลียนชันความทุกข์ไม่อยากจะสมสู่อยู่กับความทุกข <c oughs> ์ถ้าความเองเถอะว่ามันมีความหมายอย่างไรเอาตามตัวหนังสือบาลีมันก็ลาบากหน่อยว่าถ้าจะไม่ยอมให้ถูกปรงแต่งอีกต่อไปอย่างนี้เป็นตัวบาลีที่จะไม่เกี่ยวข้องอาศัย ให้สิ่งนี้ปรุงแต่งเราอีกต่อไปอธรรมยตาเ ม, มื่อเห็นชัดว่ามันไม่อยไว้ให้มันก็มาเกี่ยวข้องปรุงแต่งนี้มันทนไม่อยู่ไว้จะข อ, อยาขาดจากกันนันความรู้สึกที่ทําให้เกิอดอยาขาดจากกันสิ่งที่เลวร้ายทั้งผู้นึกสิ่ที่ไม่ได้ทั้งผู้นั่นแหละเรียกว่าอารมยตาถ้าเราเรามายาตากันจริงๆเราจะละได้หมดสิ่งใดที่ควรละจะละได้ง่ายๆละได้เพราะอำนาจของอธรรมยตาคือความรู้สึกที่เห็นชัดรุนแรงมากพอในความเลวทรามของมัน อยู่กมันไม่ได้ต่อไปแล้วก็ยาขาดจากกันเดีย๋ยวนี้มันยาขาดจากขวดเล่าก็ไม่ได้แถวนี้มันยาขาดจากกระบอกน้ำหวานเมาน้ำตาลเม า, าก็ไม่ได้มันนยาขาดจากบุรี่ก็ยังไม่ได้พระในเนี่ยตัวดียาขาดจากบุรีก็ไม่ได้เป็นต้องของร่ำรวยเลิกสุพันทีโดยเฉพาะในวันวิสาขาม า, ข า, อาศอาหารออกประกาศมาแล้วมันยาขาดจากการพนักทนทงงก็ไม่ได้มันยาขาดจากการเที่ยวกลางคืนสถานที่เริงรงก็ไม่ได้แม้ที่สุด มันจะียาขาจากการขี้เกียจนอนตื่นสายไม่อยังไม่เขาจะได้เขาไม่ได้มีธรรมยุตตาสิเลยถ้ามันมีธรรมยุตายาย ต, ยตาพอไม่เปียค า, าดได้หมดเลยเปียค า, าจากบุริก็ดีกับเราก็ดีการพนั้นก็ดีเรื่องรมท่างร้ายก็ดีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยากจะเลิกมันก็เลิกไม่ได้ก็จะเลิกได้ขึ้นมาความรู้สึกที่มองเห็นความเลวร้ายของสิ่งนั้นจนรู้สึกเด็ดขาดลงไปจริงๆว่ากูเอางกมึงไม่ได้แล้วอยู่กันไม่ได้แล้วจึงเปายคาจากกัน ถ้าใช้คำพูดยาบคายสรกรโดดบธรรมะบ้างก็ให้อภัยเถอะเปิดใจประหยัดเวลาจริงๆก็ไม่เคยถูกรรมเนียมนะเราคหลานี้มาพูดบธรรมแต่อนี้เปิดประหยัดเวล า, ออลาของการั้งหลายีห น, นหนึ่งก็เป็นสักกั้นหนึ่งาถึงใช้คำพูดตรงๆว่าอู้เอากำมึงไม่ได้ร า, าไปแล้วเหนญากันเลาทันทีนี่คือความหมายของสิ่งที่เรียกว่าอธรรมยตาถ้ามีปัญญาจะมองเห็นลึกซึ้งว่าวิวัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนั้นมันต้องยาขาจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่เลวกว่าที่ตามกว่าที่ธรรมดาสามัญนั เรื่ลนูงขึ้นไปรอยากา จ, ก า, จกากสิ่งนั้นก็เลื่อนสูงขึ้นไปยาคาจากนั้นก็เลื่อนสูงขึ้นไปจนสูงสุดจนหลุดพ้นออกไปจากภพจากชาติจากโลกนี่คือธรรมเนียตาจะใช้คาว่าละก็ได้จะใช้คาว่าเลิกก็ได้จะใช้ควากกคว่าเลื่อนก็ได้มองเห็นความเลวร้ายของมันก็ละมันเป็นขณะขณะเป็นระยะที่มัพอเลิกเลิกไเลยที่พอจะเลิกเิจริงๆเลื่อนขึ้นไปใช้พอนจากชั้นนั้นจริงจะเป็นการเลิกที่แท้จริงละก็ได้เลิกก็ได้เลื่อนก็ได้จากริงตามๆ ธรรมดาศ้มันที่ไม่ควรจะอยู่กับมันเขาต้องการจะวิวัฒนาการให้สูงขึ้นไปพูดโดยอาศัธรรมชั้นสูงมันก็เลิกละจากอศาศะทะของภพภพเนี่ยเขามายถึงความเป็นแห่งจิตใจสําคัญมั่นหมายกาเมพบเป็นสัตว์ที่พอใจในกามรูร้กระพบเป็นสัตว์ที่พอใจในรูปธรรมบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกาลารูรประพบพอใจในอรูปธรรมที่ละเอียดสูงสุดเนี่ยละความพอใจในภพทั้งหลายเหล่านี้สี่เรียกว่าละอศาศะทะละ ร, อ, รอยหรือสเสน่ห์รือรอะไรก็แล้วแต่จะเรียกของภพทั้งหลาย อากามยตาขั้นต้น่ก็ละในความพอใจในกามเสียด้วยธรมยตาขั้นนี้นสู่รูกว่าพบก็ละด้วยธรรมยตาที่สูงขึ้นไปละความพอใจในรูก็พบเสีย inse. มาอยู่ในรูกวพบแตาานน่ละมันเสีย daylight. ด้วยธรมยตาที่สูงขึ้นไปละรูกวพบเสียหมดพบหมดพบเลิกพบไม่มีพบโดยประการทั้งปวงนั่นคือการบรรลุนิพพานในการเป็นพระอรหันต์จะมองไปทีอุปาทานก็ได้อุปาทในกามพบละมันเสียได้ด้วยอตรมยตาที่ทําให้่พอใจในรูกว่าพบละ อใ จ, นนอจนนในรูปภพเสียปพอใจในรูปภพละควาานในรูปภพเสียพอใจคือไม่พอใจคือดับดับความพอใจดับภพจากอะไเสียก็เป็นไม่มีภพสิพ้นภพหมดพนั่นละอาวัจระทั้งหลายเสียกามาอา ว, าาวาัจระกามาะจรูปาวจรรูปาวจรละไปเสียตามลาดับกามาจระจจิตที่มกตมอยู่ในกามในการท่องเที่ยวไปในกามรูปาะเขาจะระพิจิตที่พอใจท่องเที่ยวไปในรูปรูปธรรม รูปภจรพอใจท่องเที่ไปในรูปเนี่ยมันอยู่เป็นชั้นๆละการท่องเที่ยวไปในพบหรือในธาตุเ ห, เหล่านี้กามาธาตุรูปธาตุรูปธาตุแล้วออกไปคนพบเหล่านี้ไปสู่นิโรธาตุใครอยากจะจําไปหลักคำมาธาตุก็จาไว้สักสี่คำคือกามาธาตุที่ลงไหลอยู่ตามปกติวิสัยของสามัญยศสัตว์เนี่ยมันก็จะท่องเที่ยวไปในกามาธาตุที่เรียกว่ากามาจร อาวัจรก็กะทอนเที่ยวไปทองเที่ยวไปามอาวัจรก็ทองเที่ยวไปในกามพอใจในรสอร่อยของกามในสาธาของกามมีสัตว์หลายชนิดท่านเทวดาในสวรรค์ทัางขามวัจจรสูงขึ้นไปก็เป็นรูปาวัจรก็เป็นพมพอใจในรูปในภพที่เป็นรูปมีรูปกระทสูงขึ้นไปก็เป็นอาวุปปัจรอาวุปภลมที่เขาพูดเขาก่าวกันก็ว่าเป็นภพเป็นโลกอยู่ที่ไหนอในใดเขา่าแต่เราอยากเอากันที้นี่ว่าถ้าพอใจในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับกามมันเป็นรูปรื่นรื่นเาเรียกว่าอนรูปอาวัจร มันจะละยากละยากละได้แสนยากข้อพ ย, ยกตัวอย่างการมาวจรสัตว์เรื่องหนึ่งันลยากอย่างไรการมาวจรสัตว์พอใจในอัศรธาของกรมหรือการมมาธาตุหรือก า, มารกามมาพบอย่างที่เห็นเป็นๆกันอยู่นี่มีปกติพอใจในเรื่องทางเพศพอเติบโตขึ้นมาอายุพอสมควรความรู้สึกเกิดขึ้นเพราะอวัยวะทางเพศทําหน้าที่ได้แล้วก็ประอกอบกรรมนั้นแล้วก็พอใจพอใจพอใ จ, อ, ใจอย่างถอนไม่ออกถอนไม่ออกทั้งทีว่ามันน่าเกลียด ทเรเี่ยัถูล้วกีจกรรมทางเพศระหว่างเพศเนี่ยมันน่าเกลียดอวดเขาไม่ได้ต้องปกปิดเนื่อบาลีมีว่าการที่มนุษย์ต้องรู้จักทำเรือนอยู่ที่ได้เพราะเจะปกปิดสิ่งนี้นุ่นจริงๆอยากทเรือนนนะนมันน่าเกลียดนเรื่องทางการทางเพศนี่แล้วมันก็สบกะปรกให้ใยๆกับฟังออกวามันสกปรกแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สัตว์เดรัจฉานจะทาเป็นเนี่ยสัตว์เดรัจฉานจะทาเป็นเรื่องทางเพศเนี่ยสัตว์เดรัจฉานจะทาเป็นไม่จะไม่เก่งาคนจะาทำเป็นเป็นเรื่องที่สัต แล้วมันก็เป็นเรื่องที่กินแรงมากเน็ตเลยกินแรงมากใช้กาลังแรงมากแล้วมันก็เพื่อบา้าวูบเดียวใช้จาให้เป็บ้าวูบเดียวผเคยพูดเรื่องนี้แล้วก็เอาไปลงพิมพ์ผิดเป็นบา้าลูกเดียวนราไม่เคยพูดบา้าลูกเดียวพูดบา้าวูบเดียวทำกันเกือเป็นเกือในในกบตายเนี่ยครับผลก็คือบ้าวูบเดียวเลยเนะนี่ยน่าเกลียดส ก, ก็ปรกทําเป็นกินแรงมากเป็นบ้าวูบเดียวทําไมไม่ล่าทาไมล่าไม่ได้มันไม่มีความรู้สึกลึกซึ้งจนมองเห็นว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเท่าไรมันกูกพันเท่าไรมันเท่าล้นเท่าไร มันคลองน้ำเท่าไลไอคนโง่เรานั้นมันไม่มีอาธรรมยตาอาจา่าเถิดว่ามันไม่มีอธรรมยตาถ้ามันจึงละไม่ได้ถ้มันจะเริ่มขึ้นขนาดนี้มันก็ละไม่ได้ถ้ามันมีธรรมยตามันก็ละได้เพราะมันเห็นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาถ้าปัจเจตาจุญญตาราตาเช่นั้นเองเปนสุนัขทเป็นมันละได้นีอาธรรมยตาการจะละออกไปจากกรรมธาตุไปสู่รูปธาตุซึ่งไม่เกี่ยวกับกรรมเลยบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกรรมเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศเนั้นมันไปสู่เรื่องที่ไม่เกี่ย คนที่มันเล่นนกเขาเล่นโกศลเล่นบอลเล่นหน้าวัวนี่บางทีมันก็บ้ามาก่นมันเป็นอันกินอันนอนตนใจอยู่แต่กสิ่งเหล่านั้นนี่เตรประมันไม่มีอัตมยาตาในการใช้าย้วก็จะไล้รูปธรรมเหล่านั้นเสียนมันกดยบ้าต่อไปถึงขั้นที่ว่าอนาจวาสนาบารมีซึ่งไม่เป็นรูปเป็นไม่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นอำนาจวาสนาบารมีมันก็บ้ากันสุดเรียง่เพราะมันไม่มีอัตมยาตาถ้ามันมีอาตมยตาคือความรู้สึกทางที่เป็นจริงในขอสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ไล่ได้ไล่ได้ละกามได้แล้วก ถ้าใครจะถามว่าทําไมพระโพธิสัตว์สิทธัตถะไปเย็นความรู้ของอาจารย์คนสุดท้ายอุตตการวดรามา บ, รรมบุตรอาจารย์คนสุดท้ายสอนให้จนหมดหมดปรุงดวงนี่นนหมดท่นานี้พระสิทธัตถะปุถิดศาก็ไม่พอใจไม่เอาด้วยเท่านี้ไม่ก่อขาละเขาละอาจารย์เนื้อทิ้งอาจารย์คนสุดท้ายไปเสียไปออกไปค้นหาของพระองค์เองข้อนี้ก็เป็นเพราะว่าอาจารย์คนสุดท้ายไม่มีความรู้เรืออ่องธรรมยาตาที่ละอรูปภพอันสุดท้ายคือเนวสัญญาณาัญญาญาตนะที่เป็นพลมสั้นสูงสุดสูงสุด ก็เลยตั้อยายาขาตทางการในคนสุดท้ายออกไปค้นาของพระองค์เองเพราะไม่สอนเรื่องอรตมยตาห้เป็นที่ลอใจคืออุจธะไดบทระมบุตรไม่รู้เรื่องอัตมรตาขั้นสูงสุดที่จะละความพอใจในเนวััญญาสัญญาจตัณาจะได้พระจิตทัาผโททิส์ก็ละจากอาจารย์คนสุดท้ายไปศึกษาของพระองค์เองกันพบเรื่องละกิเลสละอาธานโดยเฉพาะอย่างนี้คือละสมิมาณละตาวาตวปูวาของกูนียได้ก็เป็นพระอรหันต์สูงสุดละกามได้ละรูปได้ละอรูปได้จนเนือพบเหนือ สังขารโดยระการทั้งปวงเพราะธรรมยตาอันสุดท้ายนี่เราจะละจักละสิ่งที่คนละมาตามลำดับอลยธรรมยตาที่เป็นคู่กันธรรมยตาจละหัวเหล้าธรมยตาจะละบุรีละการเล่นละในความพอใจในอะไรต่างๆซึ่งเป็นข้าศึกของการพัฒนาแต่เราไม่รู้มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องโลกโกเรื่องโลกโลกโลกแท่นว่าพัฒนาแผ่นดินทำพัฒนาแผ่นดินทองทาไปไม่ได้เพราะคนเหล่านั้นันมีความรู้ธรมยตาจะละบายมุกมันยังบูชาบายมุกอยู่เราจะพัฒนาแผ่นดินทำแผ่นดินทองได้อย่างไรกัน นี่เขาเห็นว่าเรือง ร, รมยาตานี่มั น, ำนจำเป็นจำเป็นลงมาถึงหมู่คนทุกท่านที่จะตระลักที่จพัฒนาที่จะตามลําดับเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายแม้จะเป็นคนหน้าใหม่เป็นคนครั้งแรกก็คงจะฟังขอขยิใจได้เราต้องบอกว่าธรรมยดาตานั้นคืออะไรคือความรู้สึกที่ทําให้คนอยู่ไม่ได้กับสิ่งที่เคยทนกันมาแล้วก็อยู่กันมาแล้วเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเป็นความรู้สึกที่ทําให้ออยใหยาขาดจากสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันละนันที่ราคะอ่ะสาคัญที่สุดแต่เราจะละัไอ้ของสวยของงาม ก็ไม่ใช่ตองไมใช่ต้งไล่ตัวสิ่งของแต่ละนั้นที่ราคะคือความกำหนับหรือความพอใจในสิ่งนั้นไม่ต้องเอาสิ่งนั้นไปทูกต่อยทีน้อยเอาสิ่งนั้นไปทุบต่อยทีนไปซื้อมาทีไปไม่สิ้นสุดแต่ละนั้นที่ราคะในสิ่งนั้นเสียจะละได้เด็ดขาดนั่นที่ราคะในสิ่งใดมันจะไมิจอยู่กับสิ่งนั้นซึ่งจะถอนออกมาจากสิ่งนั้นจะได้ก็จะโดยอัตมยตาก็มองเห็นชัดเจนว่ามันมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ว่าชีวิตของเราจะต้องมีความรู้เรื่องอัตตมายต มันจึงจะพัฒนาไปตามลาดับความข้อนี้ได้อธิบายไว้ละเอียดอย่างยิ่งแล้วในการย้ายครงก่อนอนก่อนแต่านี้ก็จะเป็นยายมาแล้วในร่นั้นสิ่งที่มันทาให้อยู่กันไม่ได้กับสิ่งที่เป็นอันตรายคือเรื่องธรรมาติแต่คนมันโง่มัทนมาไม่ได้มันก็ยังอยู่กับสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่อย่างนั้นเองล้่เหลในกามมันก็จะในกามนันแหละกัดเอาเขาเอาผูกพันเอาล้เหลในรูปก็รูปนันก็ผูกพันในลงไหลอยู่ในรูปแม่ฉันอ่ะรูปไปล้มเหลวกับมันก็มีตัวผูกผมผูกโยก เรา ม, ามองเห็นกลับตาเห็น huh? ว่าวิวัฒนาการตั้งแต่แรกแเริ่มเดิมทีมันเลื่อนขึ้นไปมันเลื่อนึันละจากชั้นเก่าเรืยเรื่อเป็นชั้นใหม่จากชั้นเก่าเรื่ยเื่อยเป็นชั้นใหม่เลื่อยไปเลื่อยโดยอำนาจอัตมยตามันคือเราเียนซื้อในโรงเรียนเนี่ยเลื่อยขึ้ไปละชั้นละชั้นละชั้นจะต้องมีความรู้ถูกต้องเพียงพอชัดเจนในส่วนที่มันเนื้อขึ้นไปนี่คืออัตมยตาภาษาบาลีจะเรียกว่าภาษาแขกก็ะด้คือภาษาอินเดียภาษาอูรารีว่าอัตมยะตาทีไม่มีใครเอ อันเจน่ราควรจะรู้แล้วพราะพุทธศาส น, สนาจะริญในบ้านเราเมืองเราในพวกเราเราน้นแล้วแม้จะเป็นเรื่องสุดท้ายสุดท้ายก็ยิง่งดีธรรมัจึงขอเรียกไอ้ความรู้ข้อนี้ธรร ม, มะข้อนี้ว่าเพชรเม็ดสุดท้ายที่ลง้างอยู่ในปัญญดอุออกมาแล้วเขาจยืนยันว่ามันได้มีเรื่องะไรสูงไปกว่าเรื่องนี้มีจะมีกับเพชรเม็ดสุดท้ายเพราะเพชรเม็ดนี้ช่วยขึ้นออกจากโลกพ้นจากโลกไปสู่โลกุตระธรมาตามาเม่อไรเราพบั้งูงพ้นพบไปสู่ความไม่มีพบไม่มีสังขารก็เลยเป็นสิ่งสุดท้ายที่ เราจะมาสรุปกันง่ายๆก็ได้ว่าเห็นอนิจจตาไม่เที่ยงแล้วก็เห็นทุกขตาเป็นทุกข์เพราะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็เห็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่จะต่อสู้ภาวะอันนี้ได้คือเป็นทุกข์เพระต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่มีใครต่อสู้ได้เรียกว่าอนัตตาที่นี้ก็เห็นว่าโอ้มันเป็นตามธรรมดาเช่นนี้อยู่กันตามธรรมชาเห็นนี้เรียกว่าธรรมทิฏฐิตาต้องเป็นตามธรรมชาติอย่างนี้ถ้ามันมีกฎของธรรมชาติบังคับอย่างเฉียบขาดนี่เรียกว่าธรรมยามิตาความเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ความเป็นไปอย่างนี้ก็คือเป็นไปาตามอิทธปัจจิตาเหตุปัจจัยที่เเห็นว่าอ้าวทั้งหมดนี้มีตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นความหมายอย่งตัวตนว่างจากตัวตนโดยการสังพูนเรียกว่าเห็นสุญญาตาเห็นสุญญตาเห็นสุญญตาแล้วก็โอ้มั น, ย น, อ, น, น, อ, น, น อ, อย่างนี้เองฉันนี่เองฉันนี่เองอย่างนี้เองนี่เลยก็เห็นตาตาถ้าลองว่าใครมีก้าตาก้าวตาเยอะรอดนั่นคือรอดัที่สุดด้วยมีตาเก้าดวงแต่มันไม่ใช่เรดวงตาแต่เปิดติ้งท้องกระตาตาตาค่อมีเก้าวตาเลยนี้จะตาทุกตาอนัตตา การทมิ s <S ตตาธรรมนิยามตาอิทัปปจตานี่ชุดหนึ่งสญญตาตาถาตาอิทัปปจตาชุดหนึ่งชุดละามสานเก้านี่แม่แก้วตาทั้งหลายเก้าตัวนี่มีวเาตัวรอดได้เขาสใจเถิท่านยังไม่ใจเดี๋ยวนี้ก็ไปศึกษาถ้ารองามันจังไปุงยากมนะมันต้องลำบากสรับศาสนาหนึ่นั้นะศึกษามองเห็นอันนี้จตตาตานตาธรรมมัจจิตาธรรมนิยามตาอิทัปปจตาสญญาตถาตาแล้วอตมยะตาจบกันแพทสุาอย่างนี้พอแล้วําหรับเรื่องะตัมยตา ทีนี้ก็มาทิงหัวอยี่ต่างว่าที <c oughs> ่จ like ับญาเลยว่าอริยสัจสี <time> ่กับอธรรมยตาอธรรมยตาอริยสัจสี่ก็ทุกข์สมุทัยนิโรธมากถ้ายังไม่รู้เรื่งสี่สี่อย่างนี้ก็เลยไม่ไหวแล้วกล้ามากเอยจัญยา่าคอกันดีทุกข์สมุทัยนิโรธมากเยอริยสัจสี่เคยฟังพระต่ไนแต่ไหนแค่ที่เรื่องอธรมยตาที่แปลกมาอย่างนี้ขอไปดูไปต้องพูดหน่อยมากหน่อยแ่รู้เรื่องอัรมยตาดีพอแล้วกันเปรียบเทียบกันเห็นว่ามัน เกี days, well, thought, before, exactly ่ยวข้องกันอย่างไรหรือในบางกรณีมันก็เป็นสิ่งเดียวกันเนอะเอาเรทุกทุกข์สัตว์ทุกข์สัตว์ความทุกข์ทุกข์สัตว์นี่คือสิ่งที่ทําให้ต้องแสวงหาอรรมะตาเรื่อมีการใช้อธรรมะตาเพราะเป็นทุกข์จึงทำให้ต้องแสวงหาธรรมะตาใช้ติอรมะตาเพื่อหลบทุกข์ทีนี้สมุทัยสัตว์ก็คือสิ่งที่จะต้องใช้อธรรมะตาเข้าไปจัดการเหตุที่เกิดทุกข์ปีเลพนาคือสิ่งที่ต้องใช้อธรรมะตาเข้าไปจัดการไปทําลายมันเสียทําลายเหตุแห่งทุกข์เสีย ทนี่นิโรธสัตมนิโรธสัตดับทุกได้ก็คือการที่อัิยมยตามันได้ทําหน้าที่ของมันสั้นเด็จแล้วดับทุกได้ก็จะเรียกว่าเป็นท้นแห่งการมีการใช้อริยมยตาก็ได้ทีนี้ก็มาถึงมรรคสัตมรรคสัตมันก็คือวิธีที่จะทําให้เกิดมรรต์อริยมรรต์มรรคสัตมีองค์แปดหรือแปดข้อแต่ละข้อละข้อล้วนแต่เป็นวิธีเป็นเครื่องช่วยเป็นฐานที่ตั้งไปให้เกิดอริยมรต์คุณมาดูเองสิว่าอริยสัตอตริยมรรต์เกี่ยวข้องกันสักเท่าไ ทบทวคัๆๆ้งหนึ่งว่าทุกขสัตรันเป็นสิ่งที่บดขั้นพละลนเราทนอยู่ไม่ได้ข่จำใจหาธรรมตามันดับมัฆ่ามันเสียมันบีดมันทับนทุกขสัตว์มันดีดมนทับไปเราทนอยู่ไม่ได้ต้องหาความดับทุกข์ก็คือหาเครื่องมือที่ดับทุกข์ได้ก็คือธรรมจือไม่เอากระมันไม่เอาสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยาขาดจากสิ่งที่ให้เกิดทุกข์โดยไม่ต้องรอช้าเนี่ยทุกขสัตว์เกี่ยวกับธรรมจิตามันอย่างนี้แล้วก็สมุทัยจิตได้แก่การหาทั้ง ก็คือสิ่งที่เราจะต้องหาอะไรมาจัดการกับมันเสียมันเป็นสิ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสิ่งที่ถ้าไม่เราต้องไปหาอทตไมเราต้มาจัดการกับมันเสียจัดการที่เหตุให้เกิดทุกข์ดีกว่าไปจัดการกับตัวทุกข์โดยตรงเพราะจัดการกับตัวทุกข์โดยตรงมันเหมือนเอาไม้สั้นไปลังชี้เป็นตางค์ที่ใบแต่เราจัดการกับตัวเหตุให้เกิดทุกข์นั้นไม่ต้องเลอะเทอะอย่างนั้นไม่จัดการได้ีบยบร้อยนั่นจัดการที่เหตุให้เกิดทุกข์ดีกว่าที่จะไปจัดการกับตัวทุกข์โดยตรงามกทุอคควื กิสตัหาทีนี้ก็มาถึงนิโรธาสัตว์จดับทุกได้สิ้นเชิงแล้วเนี่ยเพราะเรามีธรรมยตตาแรกใช่ธรรมยตตาสาเร็จแลกธรรมยุตตาได้ทำหน้าที่ของมันครบเป็นแล้วเป็นผลแห่งการใช้ธรรมยตตาได้สำเร็จไดดับความทุกได้สิ้นเชิงอย่างนี้เปรียกว่านิโรธาสัตเพราะท่านทั้งหลายมองเห็นนิโรธนิโรธาความดับดับหรือล่หรือเลื่อนรืออนแรกแต่จะทำหน้าทห่นี่ละดับของดับให้กรรมดับในกรรมวานิโรธดับอาทะในกามในอกุชนละกามละกุศลเสียด้วย รูปาธาตุหรือนานตะอุเบขาที่เกิดมาแต่รูปฌานที่มีอารมณ์ต่างๆนั่นละสาระท่าน้องรูปาธาตุหรือรูปฌานรูปภาพนั่นเสียด้วยอรูปาธาตุแต่รมญตาที่สูงขึ้นไปโดยเอกตะอุเบขาซึงมีมาจากอารูปฌานซึ่งมีภาวะเพียงอย่างเดียวนั่นละอรูปธาตุรูปภาพต่อนั้นเสียด้วยอะสมญาตาหันสมญ า, า, าตามันเป็นของล่ายากอย่างยิ่งมันมันเป็น สิงที่สูงสุดในบรรดาสิ่งที่มนุษย์จับมิตมันถือมั่นเลยว่าทานนะในพวกในชาติในตัวในตนอ่ะมันมีไปได้ถึงทั้งชิงอรูปอารูปเป็นกทั่งเนวะสัญญานาสัญญาญานนะสันละหรือดับจะได้้วยอรมยตาจึงเห็นได้ว่ามีนิโรดนิโรดนิโรดนิโรดขั้นขันไปดับกามเสียยรูปดับรูปเสียยอรูปดับอรูปเสีย้วยอรรมยตาเป็นอันว่านิโรดนิโรดนันะคือตัวธรมยตาตัวอรรมยตาคือตัวนิโรดเพมันดับออกนะหลุดค้อนออกไปจากสิ่งที่ไม่ควรจะมีอ้าวที่นี้ก็เลือ อริยาสตข้อที่สี่อสุดท้ายคือมักปสัตย์ประกอบไปด้วยองคปดประการองค์แรกสมาธิสิสมาธิสติความเห็นชอบจะเรียกปัญญาจะได้วัญญาเห็นชอบทิฏฐิเห็นชอบเห็นชอบมีคำรู้ชอบเห็นชอบถูกต้องเนี ok start, ่ยม ah ันเป็นบ่อเกิดของอธรรมยตาอธรรมยตาอธรรมยตามาจากสมาธิสติสมาธิสติช่วยให้เห็นอธรรมยตาช่วยรู้จักธรรมยตาช่วยเลือกสรรคหาอธรรมยตาที่นี่สมาสังกปะ ราพนาชอบตมรีชอบนี่เพรายใที่มีตมยตามันดับความทุกเสียความใายที่มีตมยตามาดับความทุกเสียนี่แหละคือสมาสังกัปปะเวลาที่ยาขาดอยากมันเสียสมมาสังกัปปะยาขาดอากความทุกข์หนึ่งนั้นก็รู้ว่ามีมีชู้หรือผัวมีชู้อยากที่ยาขาดอยามันเสียนั่นแหะสมาสังกัปะคือสมาสังกปะมันคล้ายมันอยากมันจะสูงที่จะดับในความทุกข์หรปัญหาเหล่านั้นเสียที่นี่ก็มาทึ่สมาวาจาสัามากเทมินปะสมาอาชีวะพันวยกัน คือกา ร, รปฏิบัติการทำที่ถูกต้องในทางกายทางวาจาในตัวชีวิตภายนอกอันนี้เป็นรากฐานของชีวิตที่อาจจะมีอาตามมยัยตาชีวิตที่สมบูรณ์ในวามถูกต้องทางกายทางวาจาอัตภาพที่มีความถูกต้องทางกายทางวาจานี่ต้อเป็นชีวิตที่เหมาะสจะมจรรโลงรับหรือให้เกิดอาตา ม, มยาัยตานี้ไม่คนที่นี่ก็ามาถึงหมดทายสัมสมาวายามะความภากเปลียนชอบคือภาคเปลี่ยนเกิดอาตมมัยตาเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจนไม่อาตามมยัยตาสมบูรณ์ที่สุดสาเร็จได้ด้วยสัมมาวายามะ ต่อไปต้องมาสติมีความระลึกถูกต้องถูกต้องโดยใช่จริงออถูกต้องนี่จะทําให้เกิดมีอธรรมายตาถ้าระลึกไม่ถูกต้องกำหนดว่าในใจไม่ถูกต้องมันก็ไม่เกิดความรู้สึกถึงที่สุดที่จะอยากยากขาดจริงเหล่านี้ดังนั้นสมาสติจึงเป็นการระลึกที่ทําให้เกิดมีอธรรมายตาเรื่อยๆไปจนกว่าจะสมบูรณ์ทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายส ม, มาสมาธิก็คือการมีอธรรมายตาเป็นขั้นๆไปจนถึงขั้นสุดท้ายคือเอกัตะอุเบขามีสมาสมาธิ ที่แราละกามและอีุศนรูปฌานที่หนึ่งละกามละอกุศลมามีทีตต่ต่อรูปฌานพิสุกิจกัจจานกันละกามลำดับๆลำดั บ, ดบจนถึงจตุทชาญก็มีนานัตตอุเบขาเกิดขึ้นรากามะธ า, าตุรูปกามะภพได้เด็ดขาดโดยอํานาจสมาธิที่เป็นนานัตตอุเบขาของรูปฌานนันแหละเลื่อนข้ปสู่รูปฌานนั่นก็มีเอกาตตาอุเบขาคืออุเบขาที่คงเชียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นแต่มันรวมเป็นหนึ่งเดียวเอกัตตอุเบขานี้ก็ละ รูปชาจะได้ล้านนาตะเบขาจได้ก็เลืออยู่ในเอกตะอุเบขาก็มีอตมยตาเกิดขึ้นเป็นสุดท้ายและเอกตะอุเบขาเสียก็เป็นโลกุตรักือเป็นมรคนิพพานมรคนิพพานไม่จะดูว่าอตมยตาเป็นอันสุดท้ายของธรรมทิฏยานยานฝ่ายที่เกิดโลุตระก็ได้หรือจะเป็นจุดเปลี่ยนขที่เปลี่ยนจากโลกิยะไปสู่โลกุตรกก็ได้หรือลเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดตั้งต้นของฝ่ายนิพพานยานหรือฝ่ายโลุตรก็ได้มันมีความมากกว้างางอย่างนี้มันทำให้อยากจะเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วมันเริ ทั้ง3ขั้นตอนนี้เรียกได้ว่าธรารมยต า, าทั้งนั่นแหละดังนั้นจะมีการละจากพบจากสังขารเหล่านี้แล้วก็ข้ามไปสู่ฝายนูนสู่ฝ่าทนี้มียานทั้งหลายมีชื่อมันมากที่อยู่ในฝ่ายธรรมกิติยานเป็นความจริงของสังขารทั้งหลายนสูงสุดอยู่ที่เพชสพสนสุดท้ายก็ธรรมยตาแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็นฝ่ายนี้เป็นฝาน่นฝายนิพพานญาณซึ่งถืงอว่าวิราคะเป็นจุดตั้งต้นจะนิพพานร่วงก็ไปไหวก็ได้เมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งกลุ่มได้มันก็นิพพานแบายิ่งไปฝ่าย เป็นการเปลี่ยนแล้วเรียกมาธมยตาได้ให้มันมีการเปลี่ยนแล้วกันันอยากจะเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วทุกกรณีไปนัตั้งแต่ว่าเริ่มตามต้อยๆเร่ล็กๆน้อยๆซึ่งมันต้องการจะเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วาอย่างนี้คือรมยตาทีนี้เราหมายถึงสมาธิที่มันเปลี่ยนด้วยอนาจของสมาธิรู้ปะสมาธิกละกามกุศลเสียรูปะสมาธิก็ละรูปะสมาธิเสียรมยตากละรูปะสมาธิเสียก็จบกันเป็นเรื่องนิพพานนิพพานนี่คือหนทางไปถึงความด คืออริยมรรคมีตปมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งหลายขเข้าใจข้อความนี้แล้วจะเห็นได้ว่าอริยสัจสี่กับรรมยตาเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือบางทีเขาเป็นอันเดียวกันอย่างไรก็ให้สนใจมันคงจะทำความยุ่งยากลำบากบางเรื่องน่งสคัญที่สุดที่สูงสุดเมื่อมันเป็นจุดที่ช่วยหลุดพ้นได้แต่เห็นมยุ่งยากนักลบากแล้วเราดวยาใจก็ปิดปิดฉากไม่ต้องศึกษาก็ได้แว่าถ้าอยากจะดับทุกข์จะละเหตุแห่งทุกข์น่าจเรยใจธรมยตาเถิเดี๋ยนี้ก็พูดเฉพาะในแง่ที่มาเปรียบเทียบกับ โ <c oughs> ดยริยะยอื่นอีกต่อไปสรุปความว่าวันนี้ได้แสดงธรรมะเรื่องอริยสัจสี่กับอตมัจจต า, าเกี่ยวพันกันบางทีก็ฟันเกี่ยวกันเป็นอันเดียวกันกับอริยสัจโดยลักษณะเช่นนี้ผู้ที่ฟังค ร, รั้งแรกกเอาไปเป็นจุดทางต้นสําหรับศึกษาเรื่อยๆไปจ <c oughs> นก่าจะมีอตมัจจตาช่วยยกออกไปจากโลกที่โลกิลกก่งหไปสู่โลกุณณะเนื้อปัญหาเนื้อความทุกข์โดยเว่าะเนื้อโลกเนื้อพบเนื้อการปรุงแต่งของสังขาร ทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนไม่ว่าจะเป็นชั้นการหรือชั้นรูปหรือชั้นอนุรูปการบรรยายนี่ก็พอสมควรแต่เวลาเพราะมันเหนื่อยแล้ววันนี้ไม่เคยมีแรงกระพุ้ดด้วยก็ต้องขอยุติการบรรยายเรื่องอริยสัจกับธรรมยตาพไหวเพียงทานี้ก่อนขอท่านทั้งหลายทําในใจดีๆเฮียให้มันกลายเป็นเรื่องเป่าปีให้เต่าฟังพราะคงจะไม่เสียทีที่มาจากที่ใกล้เหนื่อยมาจากที่ไกลมาช่วยกันให้กด ช น, นสูงสุดตามน้นในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระศาสดาขอสุปความว่าศาสนาพระศาสนาอันแสนประเสริฐนี้จะมีอยู่กับเราก็เฉพาะตอนเม่เราใช้ศาสนาพูดตรงตกใช้มันศาสนาจะมีอยู่กับเราตอนเม่เราใช้มันยิใช้มันอยู่กับเรา่ใช้มันอยู่กับเราเขาพยยาอยากขายไม่รู้จะพูดราไหนดีจะมีศาสนาได้ก็ต้องเราใช้มัน่ใช้มันยอยู่กับเรายิ่งพัฒนาขึ้นไปเนี่ยขอให้ใช้ศาสนาเป็นการพัฒนาชีวิต ให้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์ชีวิตนี้พ ok ัฒนาพัฒนาพัฒนาให้จุดเย็นแล้วมันก็เป็นชีวิตที่เย็นสงบเย็นมีความทุกขและเป็นประโยชน์สองความหมายนี่พอแล้วเป็นชีวิตเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายถ้าพัฒนามากเกินกว่านีก็พี่บ้าแล้วลองดูสิใรลองการพัฒนามากกว่านี้มันจะบ้างยเพียงแต่มันเป็นชีวิตจุดสงบเย็นเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมันพอแล้วถ้ามากกว่านี้มันก็บ้าแล้วขออย่าไปล้มเหอะไรที่มันแปลกประหลาดมหาศายหน้าถึงเต้นขัดกจไม่ได้มันียบร้อยเอาแต่ที่เห็นอย การบรรยายเทศนานี้ขอสมควนแต่เวลาขอฤติในการากเตรียมท่านทั้งหลายว่ า, าศาสนาจะอยู่กับเราเราว่าเราท้ใช้ศาสนานั้นินใช้ศาสนาศาสนาจะย่อยู่กับเราไม่ช่จะหาย ห, หมดไม่รู้นัทานายถึงสี่สุดี่มีความสงบเย็นเป็นนิพพานที่นีะเดี๋ยวนี้ น, นาจะ น, น้อยน้ลมันก็เป็นนิพพานใหญ่สมบูรณ์เท่ากอนเองบางท่านอย่างนี้ได้ก็จะเป็นผู้เจริญกงามในทางแห่งาศาสนานสมเด็จพระ บ, บรมศาสดาไม่เสทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบประพุทธศาสนามีความถุอยู่ทุกทิพาราตีการในการเตรีมตนเดิอนใวันก็มีเลี